การทำสิ่งที่มีประโยชน์ข้อนี้หมายความถึงการกระทำในข้ขอกอที่ว่ามาแล้วเป็นเพียงทำตัวให้เป็นคนมีประโยชน์คือสร้างกำลังขึ้นไว้ในตัวให้พอที่จะช่วยคนอื่นได้แต่คนที่มีกำลังในตัวแล้วอาจเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่ช่วยเหลือใครก็เป็นได้ในข้อขอนี้หมายความถึงการพลีกํำลังที่มีอยู่นั้นช่วยเหลือคนอื่นจริงๆก่อนอื่นขอได้โปรดเข้าใจด้วยว่า คนเรามีอยู่3าพวกคือ 1. อัตตจารีพวกทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ 2. โมฆะบุุษพวกว่างเปล่าและ 3. อนาตถจารีพวกทำความฉิบหายพวกแรกได้แก่คนที่พยายามทำประโยชน์คือให้ความเจริญแก่คนอื่นจะเป็นส่วนบุคคลหรือส่วนรวมก็แล้วแต่ในโอกาสเดียวกันเว้นจากการทำความเสียหายต่างๆด้วย พวกที่สองคือคนว่างเปล่าไม่ทำคุณทำโทษกับใครพวกที่สามคือพวกอนัตจารีแปลว่าพวกทำความเสียหายหมายความว่าทำให้เสื่อมทำให้เสียความจริงคนประเภทนี้ไม่น่าจะมีอยู่ในหมู่คนเราแต่มันมีเห็นจะเนื่องจากภูมิชั้นของจิตใจต่ำมากนั่นเองตามปกติคนประเภทนี้เห็นอะไรที่สวยงามหรือที่เป็นประโยชน์ ไม่มีความสุขใจแต่ความสุขใจสบายใจไปอยู่ที่ได้ทําลายทําให้มันเสียแล้วสบายใจดีท่านที่มีโอกาสได้ท่องเที่ยวไปตามต่างจังหวัดต่างๆคงจะได้สังเกตเห็นจำพวกเสาโทรเลขและหลักกิโลเมตรที่ถูกสับถูกฟันจนเสียรูปบางทีหลักกิโลเมตรที่กรมทางเขาทําไว้ใหม่ๆทาสีขาวและเขียนเลขบอกระยะทางไว้ให้คนเดินทางได้ดูอย่างสวยงาม คนพวกอนัตจารีก็เอามีดสับตรงตัวเลขเสียให้อ่านไม่ได้ที่ทาสีขาวๆเอาโคลนป้ายเสียคนประเภทนี้ในกรุงเทพก็มีเหมือนกันสังเกตดูตามกำแพงวัดหรืออนุสาวรีย์จะเห็นมีรอยขีดให้เสียงามมีอยู่ทั่วไปพวกอนัตจารีอีกพวกหนึ่งเป็นพวกเห็นเกตตัวจัดทำลายประโยชน์คนอื่นหรือของส่วนรวม เห็นมีอยู่มากเหมือนกันพูดแล้วก็อดพูดถึงไม่ได้คือเอาแต่ประโยชน์ตนเองฝ่ายเดียวเช่นพวกปิดใบปลิวแจ้งความโฆษณาหนังบ้างโฆษณาสินค้าบ้างไปเที่ยวปิดทับในที่ต่างๆให้เสียความสวยงามเมื่อเร็วๆนี้ก็มีใบปลิวหนังเรื่องหนึ่งปิดทับแผ่นป้ายจอดรถเมย์เกลื่อนกลาดไปหมดข้าพเจ้าเห็นแถวถนนพระทิต ประตูน้ำปทุมวันและสามย่านเขาปิดทับชนิดที่ว่าปิดมิดเลยดูแล้วสมเพศเวทนาจริงๆอีกตอนหนึ่งก็ในคราวนักการเมืองหาเสียงเลือกผู้แทนน้ำใจของอนุตจารีได้ถูกแสดงออกให้เราเห็นอย่างชัดเจนนอกจากปิดใบปลิวเกลื่อนกลาดแม้จนกระทั่งผนังโบสถ์และตามจีวอนหลวงพ่อโตวัดอินแล้วยังมีการเอาสีเขียนลงบนพื้นถนนอีกด้วย ถนนบางสายเขาลาดปูนไว้สวยงามสง่าแก่บ้านเมืองก็ถูกเขียนเลอะเทอะให้เลือกเบอร์อะไรดูเปลอะไปหมดที่เล่ามานี้ชี้ให้เห็นงานของอนัตถจารีตามที่กล่าวอ้างมาแล้วคนสามพวกที่ว่ามานี้พวกที่ครองใจคนอื่นได้คือพวกอัตถจารีพวกเท่านั้นการที่พระพุทธองค์ทรงวางหลักอัตถจริยาไว้พระพุทธประสงค์ก็คือ ให้พุทธศาสนิกชนบำเพ็ญตนเป็นอัตจารีอย่างเดียวเท่านั้นฝึกเป็นอัถจารีการช่วยเหลือคนอื่นตามหลักกรองใจคนนี้บางท่านรู้สึกระอาใจเพราะคิดว่าเราจะต้องเสียเวลาไปช่วยคนอื่นหรือจะต้องทิ้งงานของตนเสียก่อนถึงจะช่วยเขาได้ข้อนั้นก็เป็นความจริงแต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าบางท่านอาจคิดมากไปก็ได้เพราะการช่วยเหลือ ที่เป็นอัถจริยานั้นส่วนมากเราทำขึ้นจากงานประจำของเรานั่นเองไม่ต้องเปลืองแรงเปลืองเวลาอะไรมากนักยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านทำราชการอยู่ในหน้าที่เสนอหนังสือผู้บังคับบัญชาไม่ได้เห็นหนังสือที่คนอื่นเขาเสนอมาวรรณยุกเอกโทตกไปบ้างทำให้ความเสียแทนที่จะปล่อยขึ้นไปให้ผู้ใหญ่ได้ตาหนิเจ้าของเรื่อง ก็ควักปากกาเติมสระให้ถูกต้องการเติมสระเพียงอันเดียวไม่เสียงานอะไรเลยเสียทรับเพียงหมึกนิดเดียวเสียเวลาไม่ถึงหนึ่งในร้อยของวินาทีแต่ก็ได้ทำประโยชน์แก่คนอื่นอย่างมหาศาลนี่เป็นตัวอย่างเราเดินไปธุระไหนๆผ่านตามบ้านพบผ้าที่เขาตากไว้ตกลงคลุกฝุ่นช่วยบอกเจ้าของเขาให้เก็บหรือเก็บขึ้นพาดไว้ให้ พบเด็กเล็กเล่นใกล้บอ่อหรือที่เป็นอันตรายช่วยห้ามช่วยเตือนไม่ว่าจะเป็นลูกใครหลานใครเหล่านี้เป็นตัวอย่างของการบำเพ็ญประโยชน์ขยายขึ้นไปถึงเรื่องการเจ็บการตายการแต่งงานบวชนาคขึ้นบ้านใหม่และอื่นๆซึ่งเป็นธุรกิจของเพื่อนฝูงหรือเพื่อนบ้านเราไม่นิ่งดูได้แต่เอาเป็นทุระช่วยเหลือตามควรแก่กําลังนับเข้าในอัตต จริยานี้ด้วยแต่การบำเพ็ญประโยชน์เป็นอัถจารีนั้นเราควรจะเริ่มสนใจกับการช่วยคนอื่นในเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ติดเป็นนิสัยโดยเฉพาะเด็กๆควรจะได้ฝึกนิสัยในเรื่องเหล่านี้ไว้เช่นเห็นเศษแก้วหรือหนามหรือของแหลมคมตกอยู่ตามพื้นอาจเป็นอันตรายแก่คนอื่นก็ให้เก็บเวียงไปเสียให้พ้นเขตที่จะเป็นอันตราย เลื่อนขวดน้ำส้มน้ำปลาให้เพื่อนร่วมโต๊ะในเวลารับประทานอาหารแทนที่จะก้มหน้ากินคนเดียวลุกให้ที่นั่งแก่คนอื่นในรถโดยสารเก็บของตกส่งให้เจ้าของและอื่นๆภาสิทธิ์ที่ว่าเขาไม่เรียกอย่าขานเขาไม่วานอย่าช่วยควรจะได้ใช้น้อยที่สุดเพราะสุภาษิทธิ์ข้อนี้ใช้เตือนใจในกรณีที่คนชอบสอดในธุรกิจของคนอื่นไม่เข้าเรื่องเข้าราวเท่านั้น ไม่ใช่เป็นข้อสอนใจที่ใช้ได้เสมอไปขอให้คิดดูว่าถ้าสมมติว่าคนเราถือสุภา ษ, ษิตข้อนี้ไปเสียทุกอย่างคือต้องให้เขาวานจึงจะช่วยเราทุกคนคงโตมาไม่ได้ถึงป่านนี้ตายกันเรียบตั้งแต่วันเกิดแล้วได้มีบางท่านอ้างถึงพระพุทธองค์ว่าเมื่อตรัสรู้แล้วต้องให้พระพรมในวงเล็บเท้าสหัมบดีพรหมมาอารัธนาเสียก่อนจึงได้เริ่ม เทศโปรดสัตวแสดงว่าพระองค์ถือพาษิทธ์ไม่เรียกก็ไม่ขานไม่วานก็ไม่ช่วยความจริงไม่ใช่อย่างนั้นที่ตำนานแสดงว่ามีพระพรมหมมาาราธนาให้เทศโปรดสัตว์นั้นเป็นการแสดงทางปุกาลาธิฐานความจริงพระพรหมก็คือพระเมตตากรุณาในพระไทยของพระองค์นั่นเองเมตตากรุณานั้นทางศาสนาเรียกว่าพรหมวิหารพระอินทร์พระพรหม ที่ไหนจะมารู้ดีเกินพระพุทธเจ้าได้มีท่านผู้อบรมศีลธรรมทางวิทยุกระจายเสียงสถานีวิทยุสื่อสา ร, รประจำวันพุทธซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้อบรมถามปัญหามาข้อหนึ่งคล้ายกับเรื่องนี้เหมือนกันคือถามว่าเวลาพร ะ, จะเจศเจหรือจะสวดมนต์จะให้ศีลต้องให้คนนิมนต์เสียก่อนจึงจะทำได้และแม้นิมนต์ไปถึงบ้านงานแล้ว จะเทศจะสวดยังต้องให้คนอาราธนาอีกวิธีการเช่นนี้ไม่เป็นการถือภาสิตที่ข้าพเจ้ายกมาแล้วนั่นหรือและถามเชิงออกความเห็นว่าการที่พระนิยมใช้พิธีอย่างนี้ทำให้เสียหลักการช่วยเหลือกันถ้าจะเลิกเสียจะเป็นการดีหรือไม่คำถามเช่นนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันข้าพเจ้าได้ตอบทางวิทยุกระจายเสียงไปแล้ว ถ้าเราพิจารณาถึงการประกาศพระพุทธศาสนาของพระพุทธองค์และพระสาวกในครั้งพุทธกาลก็น่าจะเห็นจริงตามความเห็นของท่านผู้ถามคือท่านจาริกไปเทศนาสั่งสอนเองแม้ในท้องที่ทุรกันดารต่างๆการนิมนต์ดูเหมือนจะใช้เฉพาะในการรับพระทหารเป็นพื้นนอกจากนั้นก็เป็นกิจการใหญ่ๆหรือเป็นบางเรื่องบางงานเช่น นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาหรือนิมนต์จาริกไปทางเมืองโน้นเมืองนี้เป็นต้นส่วนการอาราธนาก่อนเทศดูเหมือนจะไม่มีถ้าท่านในยุคนั้นคอยแต่ให้คนนิมนต์เสียก่อนจึงจะเทศโปรดคนคงจะรู้จักพระพุทธศาสนาน้อยกว่านี้มากทุกวันนี้เห็นจะเนื่องจากพระท่านเห็นว่าพระพุทธศาสนามีคนรู้จักกันดีแล้วการโฆษณาย่อมจําเป็นสําหรับสินค้าผลิตใหม่ และสำหรับสินค้าที่จะเสื่อมความนิยมเท่านั้นของที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่นิยมอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องโฆษณาเช่นอย่างพระพุทธศาสนาของเรานี้ว่าอย่างนี้ก็น่าฟังอีกเหมือนกันสำหรับข้าพเจ้าเห็นว่าน่าจะได้มีทั้งสองวิธีคือพระคิดจาริกไปเทศนาโปรดเองก็ควรจะมีแทนที่จะใช้วิธีคอยให้ชาวบ้านคิดอยากฟังเทศและมานิมนต์ ทั้งจัดรถจัดเรือรับสง่งให้สมเกียรติจึงจะไปเทศแต่การนิมนต์ก็ไม่ควรจะเลิกเพราะเป็นการพเดียงให้พระท่านทราบว่าชาวบ้านมีความประสงค์อย่างนั้นอย่างนั้นพระท่านจะได้จัดการถูกเป็นการประสานงานกันทั้งชาวบ้านชาววัดจะได้ไม่ผิดกาลเทศะถ้าสมมติว่าเราเลิกวิธีนิมนต์เสียให้พระท่านเที่ยวไปหาเทศหาสวดเองก็คงจะยุ่งพอดูเหมือนกัน บางทีเราไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวเลยเกิดจะมีพระถือตลปัดมาที่บ้านเป็นแถวๆแล้วมานั่งสวดมนต์ให้ฟังวันนี้พระวัดนี้สวดแล้ววัดโน้นเกิดจะคิดว่าบ้านเรายังไม่มีพระมาสวดให้ก็มาสวดให้อีกวันก็สวดสองวันก็สวดนึกดูแล้วมันคงจะฉุกเฉินบ่อยๆท่านมาว่าสวดมนต์ก็ดีไป ถ้าเกิดสวดมาติกาบางสกุลเข้าให้ด้วยเห็นจะไม่สนุกแน่คิดๆแล้วคงมีวิธีนิมนต์ไว้ก็ดีเหมือนกันสบายใจทั้งสองฝ่ายส่วนการอาราธานานั้นเป็นเพียงบอกพระว่าสาธุชนพร้อมที่จะนั่งฟังแล้วเท่านั้นพระท่านจะได้เริ่มทำให้งานมีระเบียบจังหวะดีดีกว่าทำอะไรไม่มีจังหวะนึกอยากพูดเมื่อไหร่ก็พูดพูดปากเปล่ายังไม่พอ บางทียังตั้งเครื่องขยายเสียงพูดดังลั่นไปทั่วบ้านชาวบ้านชาวเมืองเขาจะหลับจะนอนก็พลอยเป็นทุกข์ให้ศีลให้พรไปตามๆกันสมานัตตะตาวิธีครองใจคนด้วยการให้ปันการใช้คําพูดน่ารักและการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ผู้ที่เราจะครองใจตามที่อธิบายมาในตอนก่อนแล้วนั้นล้วนแต่เป็นวิธีที่เข้าไปจัดเพื่อคนอื่น เรื่องการให้ของเขาพูดเพราะเพราะให้เขาฟังและช่วยเหลือเขาส่วนวิธีที่ข้าพเจ้าจะเสนอต่อไปนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ออกจะแปลกอยู่คือแทนที่จะเข้าไปขวนขวายที่คนอื่นแต่ย้อนกลับมาจัดแจงความเป็นอยู่ของตัวเองแล้วจะเป็นผลสะท้อนไปครองใจคนอื่นวิธีนี้เรียกว่าสมานตตตาสมานตตตาแปลอย่างนักเรียนว่า ความเป็นผู้มีตนเสมอและอธิบายว่าเป็นคนไม่เย่อหยิงจองหองหรือเสมอต้นเสมอปลายเคยปฏิบัติตนต่อเพื่อนฝูงอย่างไรแม้ได้ดิบได้ดีก็ปฏิบัติอย่างเดิมคำอธิบายอย่างเดิมคำอธิบายอย่างนี้ทำให้คนเบาความคิดปฏิบัติผิดและเสียผลไปจริงๆก็มีคือไปถือเอาความเสมอต้นเสมอปลายเป็นเกณฑ์แล้วใช้ผิดกาลเทศะ ยกตัวอย่างเช่นมีคนสองคนเคยตกยากมาด้วยกันพูดอย่างภาษาคนหางานทำว่าเตะฝุดมาด้วยกันครั้นต่อมาคนหนึ่งไปได้ดิบได้ดีเป็นหัวหน้างานที่มีความสำคัญมีคนงานในบังคับบัญชาเคารพยาเกรงฝ่ายพเพื่อนเก่ายังตกอยู่ในสภาพเดิมกําลังเป็นกรรมกรสามล้อเมื่อไปเยี่ยมเพื่อนที่ได้ดีแล้ว พอโผล่เข้าไปในสำนักงานของเขาตัวก็ตะโกนเรียกด้วยถ้อยคำชนิดใช้กับเพื่อนเตะฝุ่นมาด้วยกันมึงกูเต็มตามรูปวิเคราะห์เลยไม่ได้คำนึงว่าขณะนั้นเพื่อนกำลังอยู่ในสภาพอีกอย่างหนึ่งคือกำลังควบคุมระเบียบการบังคับบัญชาภายในวงงานของเขายังไม่สามารถเล่นหัวได้เต็มที่ฝ่ายผู้ไปเยี่ยมก็เห็นเป็นว่าอีกฝ่ายถือตัวเฮยยศเฮยอำนาจ แล้วก็เหมาเอาว่าเขาเป็นคนขาดสมาณา ต, ตานี่เล่าให้ฟังเป็นตัวอย่างแล้วก็มีเรื่องจริงอยู่ไม่น้อยเหมือนกันข้าพเจ้าคิดว่าพฤติการเช่นนี้นอกจากจะเกิดเพราะความไม่รู้จักกาลเทศะของผู้เยี่ยมแล้วยังจะมาจากเหตุผลอีกอย่างหนึ่งคือการเข้าใจความหมายของสมาณา ต, ตาคลาดเคลื่อนไปก็เป็นได้ถ้าถือเอาความทางปฏิบัติธรรมข้อว่าสมาณตตานี้ได้แก่ ความวางตัวสมนั่นเองดูตัวที่ว่าวางตัวสมนั้นพูดสั้นๆคือทำตัวให้สมกับที่ตัวเป็นวันไหนว่างๆลองหยิบกระดาษมาสักแผ่นหนึ่งกับดินสอหรือปากากาก็ได้แล้วก็ลองนึกสำรวจดูตัวเองว่าเวลานี้เราเป็นอะไรนึกได้เขียนลงใส่กระดาษไว้เช่นว่าเราเป็นลูกของคนนั้นในวงเล็บ นี่ฐานะเราเป็นลูกเราเป็นพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นในวงเล็บนี่ฐานะเราเป็นพ่อแม่เราเป็นน้องคนนี้เป็นเพื่อนคนนั้นเป็นสิทธิอาจารย์โน้นเป็นครูคนเหล่านั้นนึกไปเขียนไปเวลานี้เราเป็นอะไรอยู่ตั้งหลายอย่างแทบจะจาไม่ได้หมดแต่ถ้ารักความก้าวหน้าก็ต้องพยายามคิดนี่แหละแบบฝึกหัดเพื่อความก้าวหน้า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 และน่ารักขึ้นมากแล้วคนที่ริทำอะไรๆเสียก็เริ่มเสียกันตรงนี้แหละคือเริ่มด้วยไม่รู้ความจริงของตอนเองว่าตัวเป็นอะไรหรือรู้แต่รู้ผิดรู้ไม่ตรงกับความจริงตัวเป็นเพียงนี้แต่เข้าใจว่าเป็นเพียงนั้นหรือเป็นอย่างนี้แต่คิดว่าเป็นอย่างนั้นเช่นเป็นลูกจ้างเขานานๆเขาชักจะเผลอตัวคิดว่าตัวเป็นลูกเขาจริงๆ ขับรถให้นายนั่งบ่อยๆชักลืมตัวคิดว่าตัวก็เป็นผู้มีอำนาจพอๆกับนายตัวเป็นสิทธิ์เขาพอมีความรู้มากเข้าหน่อยกลับคิดทะนงตัวว่าตัวเองเป็นผู้คอยตักเตือนสั่งสอนครูเรื่องของคนไม่รู้จักตัวเองมีอันจะคิดไปได้หลายอย่างคนที่ตกอยู่ในความมืดถ้า ม, มืดขนาดมองไม่เห็นคนอื่นก็นับว่ามืดมัวแต่ถ้าลงได้มองดูตัวเองไม่เห็นด้วยก็จัดว่ามืดมิด เป็นที่สุดของความมืดที่ว่ามานี้มืดนอกเรื่องของมืดในคือใจมืดก็เหมือนกันแต่ใจมืดเรียกว่าโง่คนโง่ขนาดไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็ยังไม่สู้ใครนักหนาเพราะมันเป็นเรื่องของคนอื่นแต่โง่จนไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครก็นับว่าเป็นยอดเป็นจอมของคนโง่วิธีดูความมืดกับวิธีดูความโง่ใช้วิธีคล้ายกันคือต้องดูที่ตัวเองเป็นหลัก ถ้าใครรู้สึกตัวว่าชักจะเคลิบเคลิ้มลืมตัวหรือไม่ค่อยจะรู้ว่าตัวเป็นอะไรแน่อย่างที่ว่ามาแล้วอย่าได้นอนใจเป็นอันขาดระวังชะตาจะขาดเสียต้องรีบแก้ไขอย่างน้อยที่สุดก็ให้รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรไว้ก่อนวางตัวสมเพียงแต่รู้ตัวว่าตัวเป็นอะไรเท่านี้ก็สำเร็จเป็นธรรมะขึ้นในใจข้อหนึ่งแล้วคือข้ออัตัญยุตาความเป็นคนรู้จักตัวเอง เป็นธรรมะข้อหนึ่งในส ป, ปะปุริสธรรมเจข้อคนที่มีสป ป, ปุริสธรรมอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนดีแต่เป็นคนดีชั้นรู้จักตัวเองชั้นต่อไปก็เพิ่มลักษณะสำคัญขึ้นในตัวอีกชั้นหนึ่งคือชั้นสมาณตตาซึ่งจะว่าในบทนี้วิธีทรรมก็ไม่ยากคือพยายามวางตัวให้สมกับที่ตัวเป็นเท่านั้นเองในฐานะเราเป็นลูก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 ตอบว่าไม่ได้ถ้ายิ่งทำการปล้นค่าหนักมือเข้าเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างจากธรรมะข้อนี้เท่านั้นยิ่งทำความผิดสมานตาตาก็ยิ่งดับศูน์เพราะอะไรเพราะว่าการกระทำนั้นไม่สมกับที่เขาเป็นคืออย่างนี้คนเราทุกคนมีความเป็นที่เป็นหลักใหญ่อยู่อย่างหนึ่งที่จะลบล้างเสียไม่ได้คือความเป็นคนคนนี้เป็นที่รองรับความเป็นทั้งปวงที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้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 ก็ยิ่งเป็นการเสียสมานตาตาหนักขึ้นเท่านั้นคือยิ่งทำก็ยิ่งไม่สมขอแวะตรงนี้หน่อยพูดเรื่องสมานตาตาแล้วก็อยากพูดเรื่องสมภาพบ้างเพราะเป็นทำงบเดียวกันบางคนขอโทษเถอะโดยมากพวกหนุ่มๆสาวๆมักจะเข้าใจความหมายของสมภาพก้อยเขวอยู่คือเข้าใจว่าสมภาพเป็นของใหม่คนไทยเราพึ่งจะได้สมภาพมาเมื่อเปลี่ยนการปกครองนี่เอง และก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่เข้าใจว่าเราเอาแบบสมภาพมาจากฝรั่งเดิมจริงๆเราไม่มีแล้วก็เลยตีความหมายของสมภาพว่าได้แก่การตีเสมอหมายความว่าคนทุกคนเสมอกันหมดไม่มีผู้ใหญ่ผู้น้อยหน้าไหนก็เดินกระแทกไหลกันได้ตั้งแต่พานโรงถึงอธิบดีถ้าใครมัวก้มๆ้มหมอบหมอบก็เรียกว่าเป็นคนไม่ทันสมัยพอเกิดความเข้าใจอย่างนี้เข้ามากๆก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 แผ่นดินไทยที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้แหละเป็นพยานแห่งสมภาพของท่านเพราะว่าสมภาพกับสมาณตาตตาก็พวกเดียวกันที่ว่ารัฐธรรมนูนให้สมภาพแก่เราก็คือเปิดสิทธิ์ให้เราได้วางตัวให้สมกับที่ตัวเป็นนั่นเองพวกคนที่แสดงลิเกละครซึ่งแสดงได้ดีมีชื่อเสียงถึงกับคนแย่งกันซื้อตั๋วเข้าไปดูก็เพราะตัวแสดงแต่และตัวเขา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 คือแสดงอาการเย่อหยิ่งจองหองดูหมิ่นคนอื่นเห็นคนอื่นเป็นคนต่ําต้อยจนคบหาสมาคมไม่ลงโบราณท่านย่อมว่าไม้สูงเกินต้นมักจะโค่นเพราะลมบนคนสูงเกินคนจะทนอยู่ไม่ได้วางตัวสูงเกินไปก็ไม่มีใครเขาอยากคบไม่มีใครเขาอยากสนับสนุนวางตัวต่ําเกินไปเป็นอย่างหญกกลางสนามหมาก็ขี้รด แมวก็ขี่รถใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันเช่นบางคนชอบปล่อยตัวตามยถากรรมไม่นำพากับระเบียบวินยัยชาวบ้านชาวเมืองเขามีศีลธรรมวัฒนธรรมสูงขึ้นเพียงไรก็ไม่รับรู้ทำทีว่าตัวเป็นคนปลงตกใครจะดูถูกดูแคลนอย่างไรก็ช่างอย่างนี้ก็มีแต่คนรังเกียจใครเขาจะคิดสนับสนุนเป็นไม่มีแล้วตกลงว่าทั้งคนสูงเกินคนต่ำเกิน เสียด้วยกันทั้งสองกลองจันไรอยากจะขอให้ท่านผู้อ่านระลึกถึงข้อความในหนังสือกลนวิธีแก้ทุกข์อีกครั้งแต่ข้าพเจ้าคิดว่าส่วนมากของท่านที่ได้รับแจกหนังสืออาจจะยังไม่ได้อ่านหนังสือนั้นจึงขอเอาความมาพูดซ้ําอีกทีเพราะเป็นเรื่องประเภทเดียวกันคือเรื่องการวางตัวในที่นั้นข้าพเจ้าว่าไว้ว่า การยกตัวเองเพราะอยากให้คนอื่นเห็นว่าตัวเก่งจะได้มีหน้ามีตาเป็นการกระทาที่ถือว่าไม่ดีอย่างหนึ่งท่านเปรียบเหมือนว่ากรองดังเองคือกรองที่เราตีน่ะจะเป็นกรองวัดหรือกรองลิเกก็ตามเราเอามันแขวนไว้ธรรมดากรองดีถ้าไม่มีใครตีมันต้องอยู่นิ่งๆดังเองไม่ได้ทีนี้ถ้ากลองใบใดไม่มีใครตีเลย มันเกิดดังตูมตูมขึ้นเองเขาเรียกว่ากลองจนไรเอาไว้ในบ้านเมืองไม่ได้จะทําให้บ้านเมืองเกิดยุคเข็นเดือดร้อนกลองอย่างนี้ต้องเอามาสับให้เป็นชินช้นๆิ้นแล้วเอาใส่ไฟเผาให้หมดเสร็จแล้วกวาดเอาขี้เท่าไปลอยล่องน้าเสียแม้แต่ดินตรงที่เผาก็ต้องขุดกว้างสองศอกยาวสองศอกโกยเอามูลดินไปล่องน้ำเสียด้วย แล้วก็ซัดด้วยน้ำมนธรณีศาสตร์ให้หายเสนียบ้านเสนิยเมืองเรื่องของกลองดังเองมันไม่ดีจริงๆทีนี้กลองใบใดที่คนตีแล้วตีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ดังสักทีจ้าต้องร่ายอีกเหมือนกันแล้วก็ต้องทำพิธีปัดเสนียเช่นเดียวกับกลองดังเองเหมือนกันกลองดีไม่มีใครตีมันต้องอยู่นิ่งๆมีแต่รักษาสมรรถภาพไว้ในตัวคือพร้อมที่จะดังได้ทันทีเมื่อถึงคราวถูกตี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 ตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นแหนมเภอเป็นครูเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นผู้แทนและอื่นๆจนกระทั่งถึงรัฐมนตรีนี่เรียกว่าถูกเขาตีแล้วไม่อยากดังมันก็ต้องดังบ้านเมืองที่มันยุ่งก็เพราะเรื่องคนดังเองนี่แหละคือว่าตัวไม่โตแล้วก็ทำเป็นโตตัวไม่มีหน้าที่แสดงว่าตัวมีหน้าที่ตัวไม่มีสิทธ แสดงว่าตัวมีสิทธิ์อย่างที่ภาษาสมัยนี้เขาเรียกว่าเบ่งคนเบ่งนั้นถ้าว่าอย่างข้าพเจ้าก็เป็นประเภทคนดังเองยุ่งหรือไม่ยุ่งท่านดูเอาเองก็แล้วกันบางทีขึ้นไปดังเองบนรถเมย์ก็เกิดยุ่งขึ้นในรถบางทีเข้าไปดังในโรงหนังก็ยุ่งขึ้นในโรงหนังในสภาในวัดในบ้านและในทุกคนทุกแห่งถ้ามีคนดังเองแล้วยุ่งจนได้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 Bye.